เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถลิงถวัลย์ลายยาวราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบ ร, รมราชาจักรีวงศ์ ร่วมกันเข้าเฝ้าถูระอองทุรีพระบาตพระบาตสมเด็จพระวะชีระกล่าวเจ้าอยู่ ه วสมเด็จพระนางเจ้าศุทิดาพัชระสุทาพี่ pintorakes รุกพระบรมราช6 oh no และไูว้ยพระพอนชัยมงคลเน�� landed no king เส้นเด็ดพระราช็ด่ำเนินเรียบพระนครที่ IK โดยขบวงพัยุหายาตราทางชรมากในพระราชิปธีบรรมราชาภิเสกเบื้องปลาย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 สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะดาริสาตรักุลเง็กพร้อมด้วยคุณปิยพงศ์เคนทวายค่ะสวัสดีครับผู้ฟังครับเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับตัวเราสองคนนะครับผมปิยพงศ์เคนทวายนะครับและคุณาดาริสาตรักุลเง็กนะฮะที่เป็นแปดสิบเก้าจุดห้าสุดท้ายเดือนนี้แล้วนะครับกันายายน หลายคนบอกว่าติดตามเทคโนโลยีมาจนสุดทางค่ะคุณสุดทางกระเป๋าแห้งหรือยังฮะกระเป๋าแห้งเพราะว่าออกมาเยอะเหลือเกินมีอีกนะมีทยอยกันอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะอ้าวไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะฮะมากระเป๋าแห้งใครจะกระเป๋าแห้งไม่แห้งตอนนี้มาเติมเงินในกระเป๋าก่อนดีกว่านะฮะกับโครงการชิมชอบใช้ของรัฐบาลนะครับเป็นโครงการที่ต้องให้คนไทยตื่นตั้งแต่เช้า เพื่อมาลงทะเบียนขึ้นมาลงทะเบียนคุณฟังตื่นสายก็กลับไปนอนต่อเ <c oughs> ต็มภายในห้านาทีคือคือช่วงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยพอได้อยู่นะเพราะคนยังไม่ตื่นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็หลับกันหมดอ่ะคนเกือบทั้นประเทศอ่ะนะฮะเอาคอนนับแบบว่าพอเป็นวันใหม่ปุ๊บเอาเลยใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเพราะระบบมันก็รันตามระบบเวลาสากลอ่ะนะฮะก็ใครอยากลงทะเบียนได้เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเอาเลยนะครับตีสามตีสี่ก็พอได้นะฮะวันละหนึ่งล้านหนึ่งล้านคนนะครับหนึ่งล้านคน เสร็จปุ๊บให้ครบสิบล้า น, นะะวิธีการง่ายๆก็คือว่าคุณต้องคิดว่าคุณจะไปเที่ยวไหนเช่นคุณณริสาบ้านอยู่กรุงเทพค่ะไปไหนก็ได้แต่มนคุณต้องเลือกไงว่าคุณจะต้องไปไหนเจ็ดสิบหกจังหวัดเนี่ย อ๋อเหรอต้องระบุใช่ไหมอ่าคุณต้องคิดแล้วคุณจะไปไหนคุณจะไปอุทยานอะไรเงี้ยแต่คุณต้องไปใช้ที่ยุทธไอเทียงลายนะก็คือต้องไปค่ะภายในสิบห้าวันภายในสิบห้าวันในประเทศได้อยู่ไงได้อยู่นะฮะอ่าต้องคิดด้วยนะว่าจะต้องไปใช้ที่ไหนยังไงบ้างค่ะแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนในมือค่ะและบัตรต้องเป็นบัตรรุ่นใหม่เป็นสมาร์ทการ์ดถ้าเป็นบัตรรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เลขข้างหลังนะมายืนยันอ๋ออ้าว บัตรลุ้นกับอ๋อโอเครู้ไห ม, มบัตรตลอดอชีวิตบัตรสมัยก่อนอะ่อ<ม>บะบางท่านเนี่ยบางทีมันมันลางเลือนใช้ไปนานบางทีผ่านศึกมาเยอะโอ้ใช้งานหนะักหน้าลอกหมดแล้ว <c oughs> คือถ้าหน้าลอกหน้าลอกแบบเลขไม่ครบถ้วนหรือมัน จางเจือจางอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำใหม่ถือว่าบัตรไม่สมบูรณ์นะเพื่อนฟังไม่ต้องกลัวก็ไปทำใหม่ซะแล้วเขาก็จะนับอายุให้ใหม่ในแบบประชาชนของเราอะนะครับก็เปลี่ยนที่อยู่ส่วนมากก็น้อยคนนะที่จะไปเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ไปทำบัตรใหม่ก็ไม่ค่อยเห็นอะแต่ถ้าสมัยก่อนจริงจริงอะคือถ้ามันหมดอายุถึงไปทำอะประมาณนั้นคือสมัยก่อนไปทำเนื่องจากสมัยสมัยบัตรเหลืองอะอันนั้นบัตรไม่พอไม่ไม่ใช่ไม่พอคือสมัยก่อนมันต้องมันต้องเป็นแบบบัตรกัน กว่าคุณไปถ่ายเสร็จเนี่ยคือตอนแรกนั่นเป็นสมัยสมัยนั้นคือเป็นเวอร์ชันที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ตสมาร์ตการ์ดหรือเปล่าแล้วพอเขาไปทำทำทำทำกันแล้วบัตรก็แบบว่านี่นี่แปลว่าคุณไม่เคยเจอบัตรเหลืองที่เป็นแบบเพิ่งท่านี่เจอค่ะดิฉันใช้ค่ะใช้เข้าสถานบันเทิงต้องเป็นกลางไม่คุณคือคุณคุณเป็นยังไม่ใช่เวอร์ชันแรกที่เป็นเวอร์ชันตอนตอนอายุครั้งแรกในการถ่ายบัตรครั้งแรกคือยังไงอายุสิบห้าปีถ่ายบัตรประชาชนถ่ายปกติไม่ใช่หรอ คือสมัยก่อนประวงชาชาชน15ปีแล้วสามเดือนแรกคุณจะไม่ได้บัตร อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่น่ะน่ะคุณไม่ทานต้องแบบว่าคนต่างจังหวัดจริงจริงเนี่ยกลุ่มไทยมาแล้วเนี่ยได้บัตรเหลืองอันนั้นที่ได้บัตรเหลืองคือแบบบัตรสมัครการไม่พอคือแบบไม่พออาจจะใช่บัตรเหลืองเนี่ยคนคนคนอายุเยอะๆหรือคนต่างจังหวัดเขาจะยิ้มกันเขาจะแบบเออหน่อยที่ฉันใช้ประกอบแล้วยังไงต่อคุณคือบัตรรุ่นนั้นจะเป็นบัตรกระดาษแล้วก็ต้องมีการเคลือบและเคลือบแบบก็จะเป็นเวอร์ชันที่ต้องมีการแบบป้องกันการปลอมแปลงบัตรกระดาษเวอร์ชันไหนเนี่ยไม่มีไม่ใช่ A4 ใช่ปะ ไม่ไม่ไม่เป็นบัตรเล็กเหมือนเดิมนี่แหละเหมือมนใบบัตรใบบัตรบัตรเครดิตข้อที่ฉันเป็นเอซีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นบัตรเหลืองบัตรเหลืองเขาก็จะระ บ, บุว่าคุณชื่ออะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ติดต่อรับบัตรได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบัตรเหลืองนั่นคือบัตรเหลืองจริงๆแต่คนที่ไปทำบัตรครั้งแรกแต่ว่าหลังจากนั้นคือเขาจะเริ่มเป็นบัตร บัตรสมาร์ทการ์ดพอการสมาร์ทการ์ดคือเอาบัตรเดิมเนี่ยมาเจาะรู ม, มาเจาะรูแล้วก็ถ่ายบัตรใหม่มนะครับซึ่งยังไม่มีชิปการ์ดนี่อันนี้แบบหลายเวอร์ชันมากมผัดเปลี่ยนกันมาจนมาถึงแบบเป็นมีชิปการ์ดด้านใน พอชิปการ์ดด้านในเขาก็ไปแนะนำว่าอย่าไปใกล้กับแผบแม่เหล็กนู่นนี่นั่นเพราะเดี๋ยวข้อมูลจะหายขาเขาก็บอกว่าอุ้ยคุณก็ใส่ข้อมูลให้มันครบถ้วนสิเพราะสมัยก่อนเนี่ยมีชิปการ์ดแล้วแต่ยังข้อมูลมันยังไม่ได้เติมเข้าไปหลงัลงๆเนี่ยมันถูกเติมเข้าไปแล้วมันสามารถใช้งานได้ง่าย<ช>แล้วก็พาร์สล่างๆมาอีกก็คือก็จะเริ่มมีตัวเลขยืนยันด้านหลังก็จะบอกว่าเป็นแบบเหมือนอตัว ย, ยืนยันว่าบัตรนี้กับตัวหน้ากับบัตรหลังเนี่ยสามารถที่จะเวลาไปใช้งานเนี่ยเขาก็จะยืนยันตัวตนสมมติว่า ผมเองเนี่ยมีบัตรนี้และซีหลอกประชาชนเอาของคนอื่นมาซีข้างหลังอ่ะไม่เออสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนทำอย่างนี้จริงๆหัวก็สงสัยว่ามันใช้ได้เหรอแต่ข้างหลังมันไม่มีไม่มีเลขไม่มีเลขสมัยก่อนทำได้แต่ช่วงแต่สมัยนี้ทำไม่ได้คือพอถ่ายของผมไปข้างหน้าเอาของคุณธนริสาไปแซงหลังไม่ได้นะเพราะว่าคุณธนริสายืนยันไม่ได้คืออย่างหนึ่งต้องไปธนาคารเนี่ยเขาบอกงี้ธนาคารเขาได้ใช้แค่ข้างหน้าไม่ข้างหลังด้วยคุณเนี่ยผมไม่รู้ ทำไมที่ฉันเซ็นแค่ข้างหน้าฉันตกใจไม่คือตอนไปเปลี่ยนบุ๊กคือตอนนี้เขาทำเขาเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยผมผมต้องรับออมเงาะออมหน้าเนี่ยบ่อยก็คือว่าสมมติว่าคุณณริสาออมหน้าให้ผมไปถอนเงินแต่เผอิญคุณณริสาเพิ่งเปลี่ยนบัตรแล้วยังแบบอุ้ยเสียดายใส่ซิลล็อกไว้เยอะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะ เขาจะเอาสำนาหบัติต ew นี T <t se,、mm, ้และก็หน้าเลขหน้าเลขบัติปัชชนเมื่อ secondo ปีเกิดและ Background atalний ทั efecto ธรรรมพพ istas กันและพุนี้ świat m student,iniz ii yang then up myCS จะมีเองตัวตรไม่ได้เขาก็จะบอกว่าบัตินี้ไม่สมบูญไม่ตรง ieri อากะพ Γ นี้มันถูกยกเลิกไปแล้ว ก็ต้องใช้บัตรใหม่สำเนาบัตรใหม่แสดงว่าต่อจากนี้ไปมูฟ่ฟางแนะนำว่าเมื่อคุยจะสำเนาแบบประชาชนเองเนี่ย<า>ต้องสำเนาให้เห็นชัดด้วยแล้วก็สำเนาถ้าสมมติเปลี่ยนแล้วแช่นกเอาไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ได้ต้องทิ้งเลยนะยทิ้งไป <ๆ S 1> เลยมูฟ่ฟางแต่ถ้าสมมติว่าอ่าโอเคอันอันนี้คิดเองนะคิดเองนะถ้าไม่ได้แบบเป็นเอกสารที่อ่าแค่เป็นยืนยันตัวตนว่าคือก็เป็นใช้งานไม่ได้ต้องต้องไปยืนยันอะไรกันอะไรนี้มากมายเนี่ย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 วิเชียรก็รำลึกสับสนว่ามันจะมีสองแอปพลิเคชันหรือว่าแอปพลิเคชันชื่อเดียวชื่อว่าเป่าเป่าตังเป่าตังเป่าตังมันมีเป่าตุ้งมันมีเป่าตุ้งสรุปว่าต้องกดอันไหนเป่าตังเป่าตังเป่าตังนะคะคุณฟังแล้วก็เขาจะมีสองสองสองสองแบบด้วยกันคือเงินเนี่ยเข้าหนึ่งพันบาทในอันแรกอีกอันหนึ่งให้เราเติมเงินได้ ถ้าเติมเข้าไปเปึ๊บเนี่ยลล อ, ะ, อะใช่เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนจีวอลเลตอะไรอย่างนี้ก็เติมเงินเข้าไปถ้าเราเติมเงินเข้าไปใช้จ่ายในในส่วนของวอลเลตตรงนี้นะคะถ้าเขาก็จะมีลำดับว่าจะได้แคชแบ็กคืน 15% จากจากที่เราใช้แต่ว่าไม่เกิน 4,500 บาทอืมคือ 4,500 บาทเนี่ยต้องสามหมื่นกูฟังสามหมื่นนะคะท่องไว้กูฟังถ้า ถ้าอยากได้คืนถึง 4,500 <ม>ต้องเติมเงินเข้าไปและใช้ถึง 30,000 ไม่ใช่เติมเฉยเฉยใช้ด้วยนะเติมและใช้ให้ถึง 30,000 30,000 นี่ไปไหนดีอ่ะคือต้องต้องบอกว่า แต่ไปเที่ยวในประเทศไทยมันไม่ถึงสามหมื่นไหมหนักอยู่นะหนักอยู่นะกับสามหมื่นไปไหนดีภูเก็ตถึงแน่เลยเออมันมีทั้งเป่าตังเป่าตุงกางลังงงไม่เงินเอาถุงเงินด้วยเออเออใช่เป่าตุงเนี่ยสรุปต้องโหลดทุกอย่างเลยไหมเป่าตังคุณผู้ฟังเป่าตังเป็นของเราของเราของเราอ่ะฮะเป่าตุงเป็นของร้านสมมุติว่าผมมีร้านค้าอยู่ผมอยากเปิดแบบ รับเงิน、uh、huh, รับ、uh huh. ปาฏิสวัต ด, ดีการแห่งรัฐไปรลงทะเบียนเป็น ร, ร้านนี่เป็นทะเบียนมาตัวโปรโมชั่นชิมชอบใช้、uh huh. ผมต้องลงเป่าตุง้งอันนี้ของราข้านค้าของราข้านค้าของราข้านค้าอันนี้เราไม่ต้องใช้ อ Ooh, okay, okay.、Okay. ๋อโอเคโอเคก็คือยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์มี QR code พอได้ QR code เสร็จมันก็จะเป็น QR code แบบชื่อสาขาโน่นน、yes. ี่น、hmm、ั่นแล้วก็ไปสแกนแล้วก็ต้องใช้ในร้านค้าหรือว่าสถานประกอบกิจการที่ลงทะเบียนนะคะเขาจะมีอะไรนะเป็นโลโก้ใช่ไหม ที่บอกไว้ว่าสถานประกอบกิจการนี้คือคือตัวตัวแอปเต่าตังของเขาเนี่ยคุณผู้ฟังเขาก็จะบอกโลเคชันหรือว่าว่าตรงไหนมีว่าร้านไหนสามารถใช้ได้หลักๆเองเนี่ยก็จะเห็นร้านคองฟ้าประชารัฐเนี่ยอันเนี้ยเป็นของเขาดีอยู่แล้วร้านทั่วไปร้านขายข้าวร้านขนมร้าน อะไรอย่างเงี้ยเสื้อพงเสื้อผ้าที่เขาลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้กรุงเทพมันจะเยอะหน่อยกะต่างจังหวัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเยอะขนาดไหนน่าจะเยอะในส่วนที่เป็นจังหวัดที่แบบว่าพีคๆในเรื่องท่องเที่ยวไหมเมืองหลักเมืองรองอะไรแบบนี้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าอ่าจังหวัดใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบมีอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่ทำงานที่จังหวัดนั้นพอดีเช่นบางทีคนอยู่ทางจังหวัดน่านมาทำงานที่เพชรบูรณ์สมุดสมุดสมุดนะอันนี้ผมก็คิดน่าตื่นเต้น เผอิญก็มีก็สามารถไปใช้งานได้ใช่เพราะว่าทะเบียนบ้านเป็นน่านก็คุณก็บอกว่าลงเปชบูนก็ใช้ได้ไม่มีผลอะไรแล้วเวลาใช้สมมติพันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่หมดคืนไหมคะคือไม่ไ ม, ไม่เขาก็รีบคืนจะคือเอาคืนอ่ะเขาก็ไม่ให้อ่ะออคือถ้าสมมติว่าใช้เกินถ้าเกินคุณต้องไปเติมเงินก็เติมในวอลเล็ตอย่างนี้นะฮะคุณผู้ฟังจะใช้หมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ ค่าว่าหมดค่ะเดินทางน่าจะหมดอ้าวก็เป็นแอปพลิเคชันเชิญชวนคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะรอคุณไหนบอกว่ารอล้มแต่วันแรกละรอสติที SMS หรืออีเมลนะฮะก็หรือหมายความว่าอันไหนอันใดอันหนึ่งคือเราคือเราไม่แน่ใจคุณผู้ฟังว่าทางทางแอปพลิเคชันหรือทางคนที่แบบดูแลระบบเนี่ยเขาจะส่งมาทางไหนผมว่าจากที่อ่านอ่านมาเขาบอกว่ามีอะไรนะ SMS ก็เอสเอ็มเอสนะจะง่ายกว่าสสวก็จะเป็นมีเอสเอ็มเอสยืยนยันควา ม, มหมายคือคือถ้าตอนเนี้ยใครที่อ่าลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเป่าตังค์แล้วอพอไปเปิดจีวอลเลตปุ๊บเขาบอกคุณยังไม่ลงทะเบียนนะคือเขายังไม่ได้ตรวจสอบไงคือต้องรับเอสเอ็มเอสก่อนถูกไหมใชเ่เพื่อจะเอาโอทพ โวยดีด้วยเอาข้อมูลเริ่มต้นใหม่ถ่ายรูปกับแบบประชาชนอะไรนี่แล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ตัวเองด้วยอันนี้อ่านมาอันนี้อ่านมาคือฟังที่อธิบายอย่างนี้คือเราก็ลงทะเบียนแต่ว่าเราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณฟังผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังรายการอยู่และก็หลายท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วอีกประมาณล้านกว่าท่านหลายล้านท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นตอนของ G Wallet ได้แม้บอกว่า27 กันยายนจะเป็นวันสตาร์ทในวันใช้วันแรกก็ตามคือจุดจบเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะที่ลงทะเบียนเสร็จสิบสิบห้าสิบล้าน15พสิบห้าเปอร์เซจิไปสิบห้าเปอร์เซจิกาันแต่ผมว่าเดี๋ยวเต็มก่อนเนี่ยสิบวันเนี่ยนะมันแต่วันที่อะไรยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะ หนึ่งสองวันที่สองก็น่าจะเต็มแล้วไม่เกินวันที่สามสี่วันร้านหนึ่งร้านก็เต็มแล้วแหละใช่ครับคนก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะในการที่จะไปไปลงทะเบียนกันแต่ตอนนี้คือทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดรับร้านค้าเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีร้านกลุ่มหนึ่งที่รอเอาข้อมูลขึ้นไปนะครับก็มีทั้งนะกรมสรรพากรแล้วก็ไอ้นะที่ ที่ครั้งจังหวัดอันนี้ก็จะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสะดวกกับร้านค้าหรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองดูคุณผู้ฟังเพราะว่าร้านค้ามันก็จะเป็นอโอกาสหนึ่งในการที่เราได้ไ ด, ได้ขายได้ขายได้เงินมากขึ้น <ขา S 2> อันนี้เป็นแบบเรื่องของอะไรอยู่ใกล้ตัวจะช่วยจะช่วยให้มันดีขึ้นไหมล่ะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้น<ก>ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งคือเป็นคนแบบ ใช้จ่ายอะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนจะเติมเงินเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่ากระเป๋าตังก์เองเนี่ยคุณต้องไปผูกบัญชีอะคุณจะผูกบัญชีกับอะไร<ฆ>อ่าเพื่อจะเติมเงินเข้ามาดึงเงินเข้ามาแต่ถามว่าแอปกระเ ป, ลาเปล๋าตังก์ของเขาจริงๆแล้วเนี่ย มันก็สามารถใช้อื่นได้เยอะนะมมไม่ใช่แค่ว่าจะใช้กับ G Wallet อย่างเดียวคือเขามีทั้งเติมเงินโทรศัพท์ อ, อ, ะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นของกรุงไทยกันเมื่อกี้ฟังน<ช>ี่ของกรุง<ช>ไทยนะท<ช>ี่เขาเป็นคนดูแลนระบบนี้เนี่ยเขามีทั้งเติมเงินจ่ายบินเออเนี่จยจ่ายกยศกร อ, อบัตรเครดิตต่างๆนะฮะ มีลิสติ้งเช่าซื้อโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเออนะฮะนี่มีของไม่มีของทีโอทีเลยอาจจะยังไม่เข้าร่วมไม่ทีโอทีเขาต้องไปจ่ายของของตัวเองไม่ผมไปจ่ายของของเออเคทีบีที่เป็นเน็ตแบงก์อันนั้นเขาถึงจ่ายได้นี่การไฟฟ้าก็จ่ายได้นะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยคิดค่าบริการไหมน่าจะไม่คิดนะ เออน่าจะดีนะฮะเพราะว่าผมก็ต้องจ่ายอยู่คือต้องต้องแบบสลับบัญชีเวลาใช้ใช้จ่ายจริงๆอ่ะเราต้องเลือกพี่ว่าเราเสียค่าธรรมเนียมน้อยสุดใช่ <c oughs> <laughs> หรือว่าไม่เสียเลยเพราะว่าจ่ายใน แอปพลิเคชันจะไม่ค่อยเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แต่ว่าพอเราจ่ายไปแล้วเรายืมเก็บหลักฐานไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอแบบข้อมูลกันมาก็ฝากเชิญชวนมุฟางเว็บไซต์เวอร์ไวท์เว็บดอทชิมช็อปใช้ช่อช้างสลีดมอมะช่อช้างไม่โทอ้ออ่างปอปลาแล้วก็สไลด์ไม่ม้วนช่อช้างไม่โทพิมชัยอะนะคือช็อปความหมายหลายท่านเนี่ยพิมช็อปผิดช็อปทรีช็อปดิจิต ช็อปตรีมไม่แต่คุ้บ้างล่ ะ, นะครบช็อป บ, บอบไหมนน้ไม่โทรไม่โทรครับไม่โทรแล้วก็ช็อปสะกดด้วยครับว่า ตัวอักษรคือปอปลาปอปลานะฮะชอบด้วยภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้คำก็เลยรู้เรื่องแต่เขาจะใช้คำกันไปชิมชอบใช้ .com เข้า<ฆ>ไปเลยนะครับแต่วันนี้น่าจะเต็มแล้วแหละ <c oughs> ได้เต็มยังรอวันใหม่เวลาเราอ้ออากาศ อ, อยู่ยังได้อยู่นะผู้ฟังใครฟังอยู่ลองเข้าไปดู<ฆ>นะครับแล้วก็อย่าลืมก่อนทำระบบนะฮะคิดเกี่ยวกับว่าเราจะใช้ที่ไหนมีโอกาสจะไปวันที่เท่าไหร่ก็ลองเลือกดูนะครับแล้วก็เอาประชาชวนมาด้วย อันนี้สำคัญต้องใช้และอย่างหนึ่งคืออีเมลค่ะต้องใช้เหมือนกันต้องใช้ด้วยเยอะนิดหนึ่งนะคุณฟังก็เป็นข้อมูที่ทางพักรัฐออกมาแนะนำเราในช่วงนี้ด้วยนะฮะนี่เวลา ได้แล้วนะเบรกแรกนะได้แล้วนะเอาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งดีไหมเดี๋ยวช่วงสองเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะวันนี้คุณทวิศน์บอกว่าท่านเตรียมข้อมูลมาเยอะเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เลือกเพราะว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องอะไรนะชิมช็อปไซส์ใช่ไหมนี่เป็นเป็นมาตรการที่บอกว่าทุกคนตื่นตัวนะผมในไลน์ท่านบอกว่าเอามาโชว์กันด้วยนะใช่บอกว่าฉันได้แล้วเอสเดย์เอาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m UTT moving towards innovative university。ทอะไร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 เราสู่ช่วงนี้นะคะสั้นๆเลยค่ะคุณเพราะว่าเวลาเราจำกัดมากๆใช่ไหมเนี่ยบอกว่านิวไลน์น้อยมากเลยนะฮะหลังจากที่เราไป ช, ชิมชอบใช้กันเมืผ่อฟังนะฮะช อ, ชอบใช้กันไปแล้วในเบรกแรกนะคะคขอมาเริ่มต้นด้วยซัมซุง galaxy และกันเพราะว่าในรุ่นของปีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาออกกันมาหลากหลายและ นะะในปีนี้ออกไปแล้วในส่วนของไอโฟนเนาะนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยข้ามไปเลยข้ามปีนะคะจริงๆเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะข้ามปีแล้วเหมือนกันซัมซ、uh、ุงกาเล็กซี่เอสซีรีใหม่และเขาเพิ่งออกโนต้ตไปนะ คือคือโน้ตกับตัวตัวเอสธรรมดาหรือกาเล็กซี่เนี่ยจะมาจะมาคู่กันนะใช่ใช่มาใกล้ๆ ก, กันแล้วมันจะเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นเรือธง ค, คือรุ่นระดับสูงนิดนึงนะคะจะออกมาเนี่ยประกาศเริ่มผลิตเป็นโมเดลเลนซูมค่ะตอนนี้มาสู้กันในเรื่องของภาพถ่ายและการซูมไปถึงดวงจันทร์กันเลยทีเดียวคือมีหัวเว่ยเนี่ยแหละที่มีคนการันตีมาแล้วว่าโอ้โหซูมไกลจริง เพราะว่าน่ากลัวนะคือน่ากลัวจริงคือ <laughs> <laughs> เหมือนแบบฉันอยู่ตึกนี้ฉ <laughs> ันซูมไปนู่นเลยค่ะอืมแล้วแบบชัดด้วยนะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันล่าสุดค่ะทางเกาหลีใต้เองเนี่ยก็มาการันตีในเรื่องของการฟีเจอร์ซูม 5x นี่เหมือนกันนะคะจะไปอยู่ที่ซัมซุงกาแล็กซี่เอสสิบเอ็ดค่ะอืมตอนนี้เป็นสิบเอ็ดกันหมดเลยนะพร้อมกับกล้องหลักนะคะความละเอียด สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะต้นเดือนกันยายนเนีย้เขาก็มีแชแ น, นลของทางซัมซุงค่ะซัมซุง、e e、ro, อีเล็กทรอนิกส์แมชชีนิกนะคะได้มีการปล่อยวิดีโอในเรื่องของการที่แบบว่าในเรื่องของการซูมนี่แหละมะีสาธิตให้ดูนะคะเป็นฟรัดซูมเป็นเลนกล้องที่สามารถซูมได้มากกว่ารุ่นก่อนๆแน่นอนนะคะในขณะที่ตัวกล้องก็จะไม่มีเขาเรียกว่าตัวเลนซูมออกมาแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็คือซูมได้ ไกลกว่าเดิม อ, มอะเขอจาจะเน้นในเรื่องของกล้องที่ซูมนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าซัมซุงก็จะออกเลนซูมอีกตัวหนึ่งที่เป็นออปติคัล 5x มานะคะอย่างคือหัวเว่ยอะไป 10x แล้วไงไ <laughs> กลกว่านะคะต้องรอดูแล้วกันในปีหน้าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองค่ ะ, อะแน่นอนว่านะครับเ ม, เมื่อช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางแอปเปิลเองก็เปิดตัวกันไปพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS <13. S 2> หลายท่านก็ มารีวิวกันนะคือดิฉันงงมาเลยแบบเ อ, อ้ยเกิดอะไรขึ้นหรออ๋อลายเด้งลายเด้งอ๋อไม่ใช่เราไอโอเอสเขาบอกว่ามีมีเขาเรียกว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยสำหรับไอโอเอสสิบสามพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าลายไม่ได้ลายเด้งเข้าแลเด้งเข้าแลเด้งเขาก็เลยให้แก่พอแก้ปุ๊บก็จะเป็นให อัปเดตซอฟต์แวร์ของเขา iOS สิบสามจุดหนึ่งอ้าวพอสิบสามจุดหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ตัวหนึ่งตัวเหนือนะที่เกิดขึ้นกับตัวคีย์บอร์ดเสริมในตัว iOS สิบสามจุดหนึ่งแล้วก็ทาง iPad OS สิบสามจุดหนึ่งด้วยค่ะทาง Apple ออกมายืนยันเมื่อฟังเขาบอกว่าเกี่ยวกับปัญหาทำงานที่ผิดพลาดทาง iOS ทั้งสองตัวเนี่ยนะฮะ ที่ปล่อยให้แอปประเภทคีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงข้อมูลในตัวเครื่องได้อย่างเต็มที่ทั้งไอโฟนไอแพดแม้ผู้ใช้เนี่ยยังไม่ได้อนุญาตก็ตามเลยนะฮะอแอปเปิลเขาเลยยืนยันปัญหาเดิมกล่าวว่าไม่มีผลกระทบต่อตัวแอปคีย์บอร์ดดั้งเดิมของไอโอเอสแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องโหว่ในการทำงานของแอปคีย์บอร์ดที่ทถูกติดตั้งใหม่เข้าไปซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังปรับปรุรงแก้ไขอยู่โดยช่องโหว่นี้จะถูกปิดในการอัปเดตครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับแอปเปิลยังระบุว่า iOS เวอร์ชันถัดไปเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็น iOS สิบสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอีกเหรอ <c oughs> คื อ, คอเป็ น, ปนแบบแก้บนั๊กงี้แก้บั๊กแก้บั๊กจะปล่อยออกมาเมื่อไหรน <c oughs> <ๆ>่นะฮะก็รอติดตามเพราะว่าสำหรับการแก้ปัญหาในตอนนี้แอปเปิลได้เตือนให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอ ป, ปคีย์บอร์ด <c oughs> <ๆ S 2> เทิร์ดพาร์ตี้เอาไว้ก่อนแล้วก็สามารถตรวจสอบแอปคีย์บอร์ดที่ถูกติดตั้งเอาไว้ลูกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับโดยเข้าไปที่เซตติ่งฟันเฟืองนะฮะไปที่ general ไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็คีย์บอร์ดนะฮะดูว่ามีตัวไหนที่เราไม่มั่นใจก็ลบออกได้ให้ใช้แบบออริจินอลไปก่อนก็แบบเดิมไปก่อนนะฮะยิ่งเปลี่ยนลงตัวใหม่ถ้าแบบไม่มั่นใจเนี่ยครับรู้สึกว่าเขาก็จะมีการเซลล์ด้วยนะในทวิตเตอร์มีเซลล์ไอโอเอสสิบสามเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วไอโฟนเนี่ยไม่ได แบบว่าธีมหลักไม่ได้อยู่ที่แบบความน่าสนใจไม่อยู่ที่ iOS แล้วอยู่ที่เคสเพราะว่าเคส iPhone เยอะมากใช่ไหมเยอะมากเยอะหรอเยอะเยอะนอกจากนี้นะครับเรื่องของอะไรอ่ะตัวฟังก์ชันอะคีย์ลัดของเขาว่าเขาเข้ามามาพรีวิวกันนะอืออืออ๋อใช่ที่มันอ่ามันมันน่าตื่นตาขึ้นใช่ไหมที่บอกว่าเอ้ยอันนี้ทำได้แบบนี้ด้วยเขาก็มาพรีวิวกันอ่าคือใช้อันไหนเยอะอันไหนบ่อยก็ จัดมาอยู่ด้านหน้ามาเป็นอะไรนะครับเป็นช็อตคัตนะเป็นช็อตคัตเป็นช็อตคัตเนี่ยหลายท่านก็ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการที่เราเลือกเอ้ฉันจะเอาอันนี้มาใส่นู่นนี่นั่นกันไปเพราะว่าความจริงเนี่ยต้องยอมรับว่าเรา ดาวโหลดแอปพลิเคชันกันเยอะใช่แม้จะจัดเป็นโฟลเดอร์ก็ตามแต่วิธีการใช้งานเนี่ยต้องแบบเข้าไปที่หน้าโฮมนู่นนี่นั่นเข้าไปเลื่อนสไลด์ไหลโอ้กว่าจะเจอแต่นี่ก็เป็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยฉันจะเข้าแค่น่าเนี้ยมันจะเข้าได้โดยตรงมีฟังก์ชันไหนบ้างจะมีอะไรก็สามารถที่จะเลือกมาชัดๆตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันเสริมหนึ่งที่เกิดขึ้นใน iOS ตระกูลแอปของ Apple นั่นเองนะครับส่วน ตากูอื่นๆนะฮะก็รอติดตามด้วยนะฮะทั้งวันเองเนี่ยก็เปิดตัวทีวีนะครับเป็นทีวีแบบจอคมสกิดมีลำโพงซาบาในตัวด้วยลำโพงซาบาเนี่มันแบบเป็นยังไงคะมันเป็นลำโพงที่เหมาะคนที่ชื่นชอบการดูนะดูหนังดูวิดีดูคอนเสิร์ตดูแบบกีฬาอะไรเงี้ยมันจะแบบ มันจะแน่นมากเลยคือเสียงโอเคแหละนะคะเพราะว่าราคาก็ใช่ย่อยเหมือนกันเนาะสามหมื่นสองร้อยบาทนะฮะอ่า OnePlus TV Q1 นะครับแล้วก็ TV Q1 Pro เนี่ยนะฮะอีกที่สี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทนะฮะตัวรุ่นนี้อยู่ที่ห้าสิบห้านิ้วอ่าจริงๆละราคาราคากลางกลางนะราคากลางกลางก็เท่ากับด้านหลังของเราห้าสิบห้านิ้วเนี่ยราคา คือคนทุกฟังถ้าถ้าถ้ามอมนึกภาพไม่ออกอ่ะก็ลองสักอ่าประมาณแบบวานึงอารมณ์แบบวานึงเราอ่ะนะคือจอมันก็จะต่างกันขอบหนาขอบบางก็ว่ากันไปแต่ถ้าคนไหนที่ดูฐานทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราตอนนี้ก็จะเห็นว่าก็คือจอด้านหลังอันนี้เรานั่งนั่งไกลอยู่นะประมาณสักเกือบเกือบเมตรหนึ่งอ่ะจอมันจะดูเล็กนิดหนึ่งนะฮะก็เนี่ยคือห้าสิบห้านิ้วก็จะจอไซส์นี้ราคาก็ประมาณนี้ก็เราติดตามเพราะว่ามันเป็นจอ O R Q L E D เออนะฮะเดี๋ยวนี้มันพัฒนากันไปไกลแล้วนะคือเขาจะทำให้สีเนี่ยเหมือนตามนุษย์เห็นน่ะเออชัดกว่านี้ได้อีกอ่ะอือคือแบบมันดู 4K อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือคือ 4K แบบว่าถ้าไปดูในยูทูบมันชัดแบบโอ้ไม่ก๊อดมากอะชัดแบบโหชัดเกินไปอะคือแบบว่าขอบีบสิวหน่อยชัดมากเลยคือต้องพูดนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบ ตัวที่มาเร็วๆอะไรเงี้ยที่มันความชัดเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดน่าจะเป็นส่วนของยูทูบเออก็จะเห็นแบบบางคลิปเนี่ยโอ้โหไปไกลแล้วนะมีให้เลือกหลายระดับจนไปถึง 4K จนถึงอะไรนะโอ้ 4K ก็ตามแต่ว่าเดตทุกคนเร็วไหมไม่เร็วก็เลยดูอย่าเลยบ้านผมเองเนี่ยยังได้แค่เอดีเอชเอลอยู่เลยนะฮะคือคือทางทีโอทีเขาบอกว่าที่ที่หมู่บ้านเนี่ย เขาเยาะ โ, โยงสายไปแล้วแต่ว่า น, นิติบุคคลเนี่ยยังไม่ได้เชื่อ ม, อมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังใช้งานได้ไ ม, ม่มีใครมาแย่งเน็ตใช้เราติดตามบอกกองสำนักชอว์บอกว่ามาแน่ห้าจีห้าจีนะอ่ะโอเ ค, คหมดเวลาแล้วฮะกับไมค์คอมพิวเตอร์สัปดาห์นี้นะครับลาไปแล้วนะคะสำหรับหน้าติดตามเรื่องราวไอทีเทคโนโลยีกันต่อค่ะดาริสาตรัตรกุลเน็กพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทาวายสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT moving towards innovative university いい。Raphang r i n g t w o w w r a d i o r m t t a c t h i n n d a a c o m r m t t Radio r u n i v e o f i a t r m t t Radio